จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามกุุภาพันธ์พุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบมีความเห็นว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามบุญตามกรรมเมื่อมีความเห็นดังนี้จึงมาวัดเพื่อมาทำบุญทำความดีกัน มาละบาปละกรรมกันมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไปเพราะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความจเจริญทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติ ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นดังนี้ผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นมีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ได้ไปเกิดใหม่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีนี่คือความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นคงจับเป็นดอกบัวถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็จะไม่สนใจในเรื่องการทาบุญไม่สนใจในเรื่องการละบาปไม่สนใจในเรื่องการชาระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงเ <ừ, S 1> มื่อเป็นดังนี้ชีวิตก็ต้องวนเวียนอยู่ <ừ. S 1> ในอบายเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. เพื่อไปใช้โทษ ใช้กรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้เมื่อหมดโทษหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังมีความเห็นผิดเป็นชอบติดตามติดตัวมาอีกก็จะทําบาปทํากรรมอีกก็จะต้องไปใช้นี่ใช้กรรมในอบายอีกก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดมีสัมมาทิฐิขึ้นมาเกิดเพราะ มีคนสอนมีคนคอยชี้แนะแล้วมีได้ลองได้นำเอาไปปฏิบัติดู mm hmm. ก็เห็นผลจากการปฏิบัติ ด, ดี mm hmm. ก็จะสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นชอบ mm hmm. นี้ให้กลายเป็นความเห็นชอบได้ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้ว มันนนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นชอบให้เป็นความเห็นความเห็นที่ถูกต้องได้เพราะไม่มีอะไรที่จะถาวรเสมอไปความผิดก็เปลี่ยนได้ให้เป็นถูกได้ความถูกก็เปลี่ยนให้เป็นผิดได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะมีความเห็นไปในทางไหน เรามีความเห็นถูกในตอนนี้แต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะมีความเห็นผิดก็ได้ดังนั้นเราจึงควรเกาะติดอยู่กับผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ที่มั่นคงต่อสัมมาทิฏฐิต่อความเห็นชอบเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านได้ลืมตาในของท่าน ถ้าตราบใดเรายังไม่ลืมตาในของเราเรายังอาศัยตาของคนอื่นอาศัยคำสอนของคนอื่นเป็นผู้พาไปก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดวันใดคนที่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่ได้พาเราไปแล้วเกิดมีคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมาพาเราไปเราก็ยังจะสามารถไปมีความเห็นผิดเป็นชอบ ไปมีมิจฉาทิฐิได้อีกดังนั้นเราจึงควรที่จะเข้าหาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมเข้าหาพระสงฆ์วิธีหนึ่งก็คือการเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เสมอเช่นเราสวดบทอิติปิโสสวดบทสวากขาโตสวดบทสุปฏิปันโน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการผูกใจให้เราอยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราต้องศึกษาความหมายของสิ่งที่เราสวดเพราะการสวดไปเฉยๆโดยไม่เข้าใจความหมายจะไม่เกิดประโยชน์คือจะไม่ทำให้มีสัมมาทิฏฐินั่นเองเพียงแต่ ยังทำให้ใจสงบได้ทำให้ใจเย็นได้แต่ถ้าเรามีความเข้าใจในความหมายของการที่เราสวดแล้วเราจะได้ปัญญาเราจะมีสัมมาทิฏฐิเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นอย่างไรเช่นท่านเป็นอรหันตสัมมาอิติปิโสอรหันสัมมาสามพุทโธอรหันนี้แปลว่า ผู้สิ้นกิเลสจิตใจของผู้ใดถ้าชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์นี่ก็มีอยู่สองแบบพระอรหันต์ตะสัมมาสาัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ตะสาวกพระอรหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ด้วยตนเองโดยไม่มีใครสั่งสอ น, น, นเช่นพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วออกบวชเป็นสั ม, มณะโคดมตอนนั้นไม่มีอาจารย์ที่จะสอนให้ให้ชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะไม่มีใครรู้ท่านทรงไปศึกษาตามสานักต่างๆภูบาอาจารย์ที่สั่งสอนก็สอนได้เพียงแต่ทาจิตให สงบเป็นสมาธิเป็นฌานเท่านั้นแต่ไม่รู้จักวิธีที่จะชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกเมื่อไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนตนเองต้องทดลองด้วยวิธีการต่างๆทดลองอดอาหารอยู่ถึง49วันคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปแต่ก็ไม่หมด อดไปถึง4ี่สวันร่างกายจะตายอยู่แล้วแต่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังไม่หายไปไหนเลยยังมีอยู่ในหัวใจเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าการอดอาหารเพื่อจะเพื่อที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงเป็นทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดท่านจึงย้อนกลับมาลอกหันมาชำระจิต ด, ด้วยการ บำเพ็ญจิตตะภาวนาคือสมะถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมะถะภาวนาทรงมีอยู่แล้วจิตมีฌานเป็นรูปฌานและอรูปฌานอยู่แล้วแต่จิตไม่มีวิปัสนาไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดความหลงที่เป็นต้นเหตุของความโลภและความโกรธ แต่หลังจากได้ทรงเจริญวิปัสนาทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตหลงยินดีหลงรักหลงชอบคิดว่าให้ความสุขกับตนนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะไม่เที่ยมไม่ถาวรได้อะไรมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปต้องจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีก และไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของใจอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟเมื่อทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็สามารถดับความหลงได้เมื่อดับความหลงก็ดับความโลภได้ดับความโกรธได้จนไม่มีความโลภโกรธหลงหลงเหลืออยู่ในพระทัยอีกเลย จึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือความหมายของคำว่าอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถชำระ จ, จิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องให้บรรลุ ถ, ถึงพระมิพานได้โดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสอนตนเองแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปบำเพ็ญ น, นำเอาไปปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพวกนี้เรียกว่าเป็นพระอรหันตตะสาวกเคอไม่ได้ชำระจิตของตนเองด้วยความรู้ความสามารถของตนเองอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้ชี้ทางจึงไม่สามารถเรียกตนเองได้ว่าเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เธอเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นพระอาหารหันต์สาวกคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังอย่างพวกเรานี่ก็เป็นสาวกเหมือนกันเพราะเรากำลังฟังพ่อทำคำสอนอยู่แล้วถ้าเรามีศรัทธามีฉันทะความยินดีมีวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะมีใจจดจอ่อ มีวิมังสามีการไข้ควรคิดถึงการปฏิบัติคิดถึงคําสอนอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันไม่มีใครสมหวังลิขิต อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิสุปฏิมสุปฏิปันโนนี่แหละคือเหตุที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเหตุที่จะทําให้กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้า เพียงลำพังไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนเพียงลำพังอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธธรมรมผสมจึงมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้แยกกันไม่ออกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมคาสอนก็จะไม่มีพระอรหรันตสาวกพระอริยสงฆ์ปรากฏขึ้นมา เมื่อมีพระธรรมคำสอนแล้วถ้าไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังแล้วไม่นําเอาไปปฏิบัติฟังแล้วก็เอาไว้ที่ศาลานี้พอฟังออกจากศาลาไปก็ไม่นําเอาติดตัวไปไม่นำเออกไปไค้ครวนไม่นําเอาไปปฏิบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับฟังแล้วไม่ได้เอาติดตัวไปก็จะไม่ได้มีสุ ป, ปฏิปันโนอุชุยยะสามิจิปฏิปันโน เมื่อไม่มีก็จะไม่มีผลคือพระอริยะขั้นต่างๆพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆก็จะไม่เกิดตามมาดังนั้นจึงขอให้เราเข้าใจถึงพระอริยะถึงพระสงฆ์คือพระรัตนตรยัยพระสาระที่เป็นที่พึ่งของเราที่เราจเจริญอยู่เสมอขอให้เราเข้าใจความหมาย เพราความหมายนี้มีไว้เพื่อที่จะเป็นเป็นแผนที่ชี้ทางเรานั่นเองเป็นป้ายบอกทางเราพอชีวิตของเรานี้เป็นเหมือนกับการเดินทางเราเดินทางอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูป้ายเราก็จะเดินไปในทางที่ผิดได้เช่นเราขับรถมาที่วัดยานแล้วเราไม่คอยสังเกตดูป้ายพอป้ายบอกวัดยานให้เลี้ยวซ้าย เราไม่ได้มองเราคุยกันอยู่เราก็ขับรถเลยไปได้แทนที่จะเลี้ยวซ้ายเราก็ขับตรงไปเราก็จะไปไม่ถึงวัดยานฉันใดการดําเนินชีวิตของเราเพื่อให้มีแต่ความสุขและความเจริญให้มีให้ห่างไกลจากควาความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายก็ต้องอาศัยการดูป้ายบอกทางเช่นเดียวกัน เราต้องรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องหมั่นฟังอยู่เสมอเสมอพระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดหรือบัญญัติวันธรรมมะสวัสดิขึ้นมาเพราะถ้าไม่กําหนดไม่บัญญัติไว้พวกเราก็จะไม่สนใจกันจะไม่รู้จักวันพระวันโกนว่ามีความสําคัญอย่างไรเช่นคนในสมัยนี้ คนที่จเจริญทางโลกจเจริญทางการศึกษาทางโลกไม่สนใจที่จะเข้าวัดเข้าวาจะไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันพระวันไหนเป็นวันโกนไม่รู้ว่าวันพระวันโกนมีไว้ทาอะไรเพราะชีวิตของเขาไม่ต้องพึ่งวันพระวันโกนก็ได้เพราะเขามีความรู้ทางโลกพอที่จะทำให้เขามีอาชีพทำมาหากิน ได้อยู่อย่างสบายแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือใจของเขาว่าใจของเขานั้นมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเขาไม่รู้วิธีกาจัดความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายเหล่านี้วิธีที่เขาคิดว่าเป็นวิธีกาจัดก็ไม่ใช่เป็นวิธีแต่กลับเป็นการทาให้ความทุกข์ ความเครียดความวุ่นวายใจมีมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวเช่นเวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวไปเสพสุรายาเมาหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างนี้ก็จะทำให้ติดเป็นนิสัยไม่ดีไปถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ความทุกข์แก้ความเครียดวิธีที่จะแก้นั้นต้องอยู่ที่การทําความดีละบาปและการเจริญจิตภาวนาเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และความเครียดทั้งหลายนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความหลงนี่เองอยู่ที่ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินทองมากๆและเมื่อมีเงินทองแล้วก็นําเอาไปใช้ซื้อสิ่งต่างๆมาซื้อความสุขชนิดต่างๆมาแต่หารู้ไหมว่าซื้อมาได้มากเท่าไรก็ไม่เคยทําให้มีความอิ่มมีความพอแต่กลับทําให้มีความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นไปมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ว้าเวมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจไม่ได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขความสงบความพอใจนั่นเองอยู่ที่การทำความดีอยู่ที่การทำบุญอยู่ที่การละบาปและอยู่ที่การบําเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิด อยากได้สิ่งต่างๆนี้ต่างหากที่เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจหายทุกข์หายเครียดหายวุ่นวายใจถ้าไม่เข้าหาศาสนาถ้าไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่รู้จักวันพระวันโกนก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมเลยและชีวิตก็จะต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายไป ไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดในสุขติต้องไปเกิดในอบายเพราะไม่ได้ทำบุญมีแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่และเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัติวันธรรมมสวนะัสคือวันพระทุก8ปดวันหรือหกวันวันวันขึ้นวันแรงต่าง ปฏิทินของทางจันทรคติมีวันขึ้น8ดขั้มแล้วก็มีขึ้น15ห้าข้าแมแลม14่ขั้แลมส5ห้าข้มนี่คือวันพระแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากวันหยุดของเราไม่ตรงกับวันแรมขึ้นวันขึ้นแรมเราก็ต้องปรับปรุงให้มันทันสมัย เช่นสมมุติว่าวันพระไปตรงกับวันจันทร์หรือวันอื่นไม่ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เอาวันเสาร์อาทิตย์นี้มาเป็นวันพระของเราก็ได้เพราะมันไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นวันไหนขอให้อาทิตย์หนึ่งให้มีวันพระสักวันหนึ่งขอให้ได้บำเพ็ญหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บาเพ็ญ คือให้ได้ทำบุญตักบาตรให้ได้รักษาศีลให้ได้ฟังเทศ์ฟังธรรมและให้ได้ปฏิบัติธรรมนี่คือความหมายของวันพระอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ได้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังธรรมเพราะจะได้แสงสว่างได้ป้ายบอกทางเราจะได้ไม่หลงทางนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์ ก็กำหนดวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระไปหรือจะกำหนดทั้งสองวันได้ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้บุญสองเท่าจะได้กำไรสองเท่าได้ความสุขสองเท่าได้ความเจริญสองเท่าหรือแต่จะทําให้เป็นวันพระทั้งเจวันเลยได้ก็ยิ่งดีใหญ่บางท่านไม่มีภารกิจการงานเป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านไม่ต้องออกไป ทำงานทำการก็ทำให้เป็นวันพระทั้งเจ็ดวันเลยก็ได้ใส่บาททุกวันรักษาศีลทุกวันฟังเทศฟังธรรมทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาใจรักษอนิจจทุกขังอนัตตาอยู่เสมอพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพัาดพลาคจากกันเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีวันพระอยู่ทุกวันแล้วไม่ได้อยู่ที่การมาที่วัดโดยเฉพาะที่วัดมาก็ได้แต่ถ้ามาไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ทําให้เป็นวันพระได้เพราะวันพระอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่การทำบุญให้ทาน อยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่การปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างนี้แล้ว <ffee> ก็ถือว่าเรากำลังปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเรากำลังมีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนถ้าเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว มรรคผลนิพพานก็จะไม่ห่างไกลเพราะมรรคผลนิพพานนี้เป็นผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้พระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นให้กับเราได้ มีตัวเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาเองจึงสงสอรว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองผู้อื่นปฏิบัติแทนไม่ได้ทำบุญแทนกันไม่ได้ละบาปแทนกันไม่ได้ชำระจิตใจแทนกันไม่ได้ต้องทำกันเองสิ่งที่ทำกันให้ให้กันได้ก็คือสอนกันได้ บอกกันได้เตือนกันได้ชวนกันได้แต่จะทำไม่ทำนี้อยู่ที่แต่ละคนที่จะต้องพิจารณาละตัดสินใจถ้าพิจารณาที่จะปฏิบัติก็ถือว่าฉลาดกำไรถ้าพิจารณาที่จะไม่ปฏิบัติก็ถือว่างโง่ขาดทุนชีวิตของคนเราเกิดมาก็มีเพียงเท่านี้แหละ ไม่ได้ไม่ได้สคัญอยู่ที่ตรงไหนสาคัญที่อยู่ที่การปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเพราะถ้าไม่ปฏิบัติธรรม จ, จิตใจก็จะไม่ก้าวหน้าจิตใจก็จะยืนอยู่กับที่หรือจะตกต่ำลงไปก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมเช่นที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ราชาติ ในที่สุดก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับบรมสุขที่เป็นปรามังสุขขังคือความสุขของพระนิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางของการเดินทางของชีวิตจิตใจของพวกเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ก็ขอให้เราทำความเข้าใจเสีย ตั้งแต่วันนี้ว่าชีวิตของเรานั้นในแต่ละภพแต่ละชาติมีหน้าที่ที่จะเดินทางให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเพราะนั่นคือความสุขและความเจริญที่แท้จริงนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่เป็นการความสุขความเจริญเช่นการความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ถือว่าเป็นความเจริญ ว่ามันมีการสิ้นสุดนั่นเองพอชีวิตนี้ตายไปความเจริญทางราบยศสารเสริมสุขก็หมดไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็จะต้องเวียนไปวนไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไปถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปไม่เสื่อมอีกแล้วจิตใจมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขตลอดอนันตการ นี่คือเป้าหมายของชีวิตของพวกเราอยู่ตรงนี้ขอให้เราให้ความสัมพันธ์ต่อการศึกษาต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติต่อวันพระและวันโกนขอให้มีวันพระวันโกนอย่างน้อยอาทิตย์ก็หนึ่งวันหรือถ้ามีมากขึ้นไปได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้เราได้ พบกับความสุขและความเจริญได้เร็วขึ้นนั่นเองไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้มันมากนะยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ภพชาติก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ายืดเยื้อนา น, านปฏิบัติทีพบชาติมันก็จะยืดยาวนานออกไปความทุกข์มันก็จะมีมากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะจึงขอให้เราถ้ามีโอกาสมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานที่จำเป็นก็ขอให้เราทุ่มเทมาทางนี้อย่าหมดเวลากับการไปเที่ยวเล่นกันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้หมดเวลากับการนั่งสมาธิกับการไหว้พระสวดมนต์กับการฟังเทศน์ฟังธรรมกับการรักษาศีลกับการทำบุญให้ทานจะดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการกระทำเหล่านี้จึงขอฝาก เรื่องของการมาวัดทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นแรงหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันพระได้เหมือนกันขอให้มากันอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้บำเพ็ญกันอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา